ถ้าไม่สัมพวมจะเป็นยังไงองค์ที่หูเนี่ยเอา้าถ้าหูได้ยินเสียงเข้ามาแล้วเฉียงติชิ้นเดินทาเสียงยก จ, งจังสรรเสริญทําใจให้ตัวยังไม่ให้ฟูแล้วจะเป็นยังไงสรุปแล้วก็คือต่างองค์ก็ต่างว่าการสัมรวมหรือว่าสัมรวมตาหูจมกูกแต่ละท่านเป็นของทําได้ยากมากแต่องค์ไหนที่จะถูก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 ปุพหากพระพุทธพระปฏิเจตพพุทธเจ้าเป็นผู้ใกล้ชิดพระปฏิเจตพุทธเจ้ากว่าทุกองในบรรดาพี่ๆทั้งหลายเราเป็นน้องสุดท้ายของบรรดาลูกทั้งหมดเก้าสิบเก้คนไปถามพระปฏิเจตพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์จะได้เป็นมหากษัตรย์หจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินไหมพระเจ้าค่ะคือกระชิดถามพระปฏิเจต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 คือเดินไปสู่จุดหมายปลายทางของตนเองจุดหมายปลายทางของเรานั่นคืออะไรคือเมืองตะกัชิลาแต่พวกทหารทั้งหลายเนี่ยทั้งเดินด้วยมองหลังด้วยโอ้โหทำไมอสาวสวยขนาดนี้แต่จินๆแล้คือลากสดกันจักกินีแหละเขาจำแรงแปลงตัวเพื่อจะหลอกกินมนุษย์คนนั้นก็เดินไป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 คำว่าหนักนั่นคืออะไรก็คือรู้จักการเน้นในสูงจุดที่ควรจะเน้นแล้วก็คำว่าเบาคำนี้นะ่ะมันง่ายนิดเดียวถ้าขี้เกียจเข้ามาเมื่อไหร่ก็เมื่อ น, นั่นแ่ะมันจะต้องเบาทันทีเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะการคัดทำความภาคเพียรเนี่ยต้องมีหนักหมักก็คืออะไรอดนอนผอนอาหารอดนอน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 ว่าเราปล่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายกิเลส จ, จักรกิณีรากสดเอาไปกินหมดมเราจะเหลืออะไรแต่ถ้าว่าเรามีความมุ่งมัน่นมีความตั้งใจมีความใส่ใจสำรวมกายวาจาของเราสำรวมใจของเราคุณง่าย ไม่ให้มันออกไปนอกรูนอกทางบังคับให้ใจหยุดอยู่กับกรรมฐานไหนกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งกำหนดลมหายใจเข้าไปอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจเข้าหายใจออกําบังคับมาอยู่ในร่างกายกบังคับห้อยู่ในร่างกายให้พิจารณาเรื่องอะไรพิจารณากระดูกเนี่ย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 สมาธิจะกำหนดตัวไหนกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหรือกำหนดตัวไหนขาขวาผุทธขาท้ายโถดจังกรมหรือเอาสติจับอยู่ในกายของเราหรือพิจารณาร่างกายของเราที่มันหยุดนิ่งอยู่เนี้ยกำหนดดูหรือดูหัวใจที่มันเต้นตึบตึบตบดูการที่หัวใจเต้น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 ในทางที่ที่ถูกต้องแล้วต่อไปพวกท่านจะเดินเดินเข้าไปลึกเข้าไปเรื่อยๆใจของพวกท่านทั้งหลายจะเข้าสู่ความสงบไปเรื่อยๆเมื่อเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบนําความสงบที่มันผ่านความสงบนั้นมาคิดมาพิจารณาทางด้านปัญญาหรือว่าเดินวิปัสสนานึกคิดอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นรูปปั้สุภาษ ทีนี้เอามาพิจารณาขี้คายเลยใจของเราจะเป็นอมันจะนิ่งนะมันจะเห็นตามความเป็นจริงเพราะมันผ่านความสงบมาแล้วแต่ถ้าว่าพวกเราจิตใจของเราไม่ได้ผ่านความสงบอมันก็ดูกระดูไปอย่างนั้นนดูเลื่อนๆลอยๆเพลิดเพลิจะเป็นของสวยงามเพลิดเพลินจะเอาไปทำเอาไปทําเป็นอาหารไอ้กางหาัก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 อย่างสบงบได้แต่เรื่องสมาธิเนะี่ยมันเป็นมันชัดเจนของใครของเราสมารถะคือสมรถะวิปัจฉนาคือวิปัจสนาสมารถะคือทําจิตใจให้สงบพักผ่อนนิ่งเออไม่ปุงออกไปทางนอกนิ่งอยู่กับตัวเองนี่คือสมาธิแต่ส่วนปัญญากับวิจารณาใข้ควรหาหลักเหตุผลร่างกายมันเป็นอะไรบ้างตาหูจมูกเล่นกาย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 ไปสร้างเจดีหลวงปู่ฟันพอสร้างไปแล้วก็อนเนี่าขันองขโมนทีทั้งกองไปถามมันกมมีผู้เสน อ, อมาลากหลายทั้งสนามมวยด้วยทั้งสนามม้าด้วยทั้งลอตเตอรี่ด้วยเขาจะให้มาไอท่านก็มากราบหลวงตาหลวงตามหาบัวว่าจ ะ, จะเขาจะมีส่วนร่วมอย่างนี้อย่างนี้ฮ เรื่องการพนันท่านอาจารย์จะรับมาเอามาเป็นค่าใช้ใจ่ายเป็นงวดงานไหมหลวงตาท่านบอกท่าหลับตาพิวเละหลับตาพิ้วเงินการพนันอย่าเอามาให้คนกราบคนไ่าเพราะเงินการพนันนี่แหละอันนี้มันฝังอยู่ในใจของผมอยู่ตลอดเพราะนั้น